นะใครมีชื่ออย่างไรเนี่ยพระองค์ก็รู้ น, นะชื่ออะไรดีก็าบอกว่าชื่อเราเพราะที่สุดแล้วนะชาตินี้นะแล้วมีโคดคือนามสกุลเป็นต้นอย่างไรโคดบางทีก็แปลว่าเผ่าไหนนั่นแหละโคดบางทีก็คือเผ่าหรือบางสมัยใหม่ใช้หมายถึงนามสกุลบางพวกมีผิวพันุ์เป็นอย่างไรมีผิวดีหรือผิวพันธุ์ซาม น, นะผิวเป็นยังไงบ้างผิวดาผิวขาวผิวเหลืองผิวยังไงก็ว่ากันไป มีอาหารเป็นยังไงทานข้าวเป็นอาหารหรือว่าทานผักเป็นอาหารหรือว่าทานหญ้าเป็นอาหารนะหรือว่าทานอาหารแบบอาหารสดอาหารไม่สดอาหารต้องหมักหลายวันไหมอะไรไหมเป็นต้นเนี่ยก็ดูเอาว่าอาหารเป็นอาหารกลุ่มไหนเพราะในโลกนี้ผู้ที่บริโภคอาหารจะมีหลายกลุ่มใช่ไหมเอาถ้าเราเกิดในในอะไรนะถ้าเป็นเดรชานก็ต้องมีอาหารของเดรชานสิถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์แล้วมนุษย์แต่ละประเทศแต่ละเผ่าก็ อาหารแตกต่างกันนั้นอาหารเนี่ยก็ดูว่ามีอาหารอย่างไรแล้วเกิดมาชาตินั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างไรสุขเป็นยังไงสุขมีอมิตรหรือสุขปราศจากอามิตรทุกเป็นยังไงทุกมีอมิตรหรือทุกไม่มีอมิตรทุกเป็นไปกับกุศลหรือทุกเป็นไปกับอกุศลแล้วอายุในชาตินั้นมีเท่าไหร่เพราะบางพวกมีอายุน้อยมากเจ็ดวันนีใช่มเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็มี เจปีก็มี80 90ิบเก้าสิ้อยสรอเป็นพันปีก็มีเป็นต้นเนี่ยก็ดูว่า อ, นนอายุน้อยที่สุดแค่ไหนแล้วอายุยืนที่สุดเป็นต้นเนี่ยนะน้อยที่สุดก็เกิดไม่กี่นาทีก็จุติแล้วนะบางพวกก็อายุยืนมากกวอายุเป็นอสงไขยปีเป็นต้นในแต่ละภพเ น, นะเกิดในกำเนิดใดยอยู่ในคติห้านี้มีอะไรในอดีตเนี่ยอยู่ในประเภทการประพบรูปประพบหรืออรูปประพบ ในอดีตที่เกิดมาเกิดในครันเกิดในไข่หรือเกิดในเท่าใครหรือเป็นโอปปาติกะเกิดเป็นนรกเปรตอสุรกายเดรฉานเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาปฏิสนธิจิตเป็นอย่างไรมีรูปเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันปฏิสนธิต่างกันในบรรดาปฏิสนธิทั้งหมดมีเท่าไหร่ปฏิสนธิจิตมีเท่าไหร่ ในบรรดาปฏิสนธิจิตสิบเก้านี่ยนะอยู่ในกลุ่มไหนในบรรดารูปที่มันวิจิตเหลือเกินเนี่ยรูปร่างผิวพรรณอย่างไงไปอยู่ในกลุ่มไหนไปอยู่เผ่าไหนไปอยู่ประเทศใดบ้านเมืองใดถือสัญชาติอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เมื่อเกิดมาเป็นอย่างนั้นนะมีชื่อมีผิวพรรณรูปร่างบริโภคอาหารการเป็นอยู่จุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดในภพโน้อนอีกละเมื่อไปเกิดในภพโน้นไปทําอะไรไปอยู่อย่างไงกินอะไร เนี่ยนะสุขภาพเป็นยังไงผิวพรรณเป็นยังไงได้รับความสุขความทุกยังไงอายุแค่ไหนตายจากชาตินั้นก็ไปต่ออีกแล้วเนี่ยนะอันโลกอัญชารานําไปไม่ยั่งยืนก็ไปไปเรื่อยไปไหนไปหาที่เกิดใหม่ก็เลยใช้คําว่าสัมภเวสีใช่ผู้ที่ยังไม่เป็นพาดหาันเรียกว่าพวกสัมภเวสีสแสวงหาพบหาชาติสแสวงหาที่เกิดสแสวงหาจุติปฏิสนธิสแสวงหาชาติสแสวงหาพบะนะก็เลยไปไหนบอกไปสร้างพบสร้างชาติไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายเนี่ยนะ เกิดไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไม่ไม่ไมค่อยชอบเท่านั้นไปเกิดนะคบางทีก็ชอบเหมือนกันนะไอ้ไปแก่นี่ไม่ค่อยฟังไอ้ไปเจ็บด้วยนี่แหมแช่งกันชัดๆแล้ไปตายด้วยมาโอ๊ยนี่มันศัตรูกันชั ด, ชดๆอะไอย่างเงี้ยนะแต่เชื่อไหมมันเป็นความจริงอะ่ะเพราะเขาไม่พูดเราก็เป็นถ้าเขาพูดเราก็จะได้สํานึกบ้างละเออใช่แล้เราก็เราไปไหนกันนาะถ้ารูปตะขันเวทนาขันสัญญาขันวิบากและกรรมมาชลูปก็ไปสู่ชราและมรณะส่วน สังขารสังขารก็นําไปสู่พบใหม่พบใหม่ก็นํามาซึ่งปฏิโซนทีไปเรื่อยก็ระลึกได้อย่างนี้แหละอีกไม่กี่ปีนะถ้าเราระคงระลึกชาติได้ว่าโอ๊ยเคยมาฟังธรรมที่นั่นแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวเยน็นๆนี้ก็ต้องระลึกแล้วเมื่อเมื่อบายๆนะฟังธรรมอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ระลึกแล้ว เ, ออเมื่อวันอาทิตย์นี้ไปฟังธรรมมาอย่างเงี้ยเราสังเกตดูนะเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็เหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วอะมันก็อย่างนี้แหละ แล้วก็ไปเรื่อยเดี๋ยวก็อาทิตย์เดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็เปลี่ยนพศออไปเรื่อยอย่างนี้แหละชีวิตก็ไหลสืบเนื่องกันไปเพราะนั้นพระองค์บอกว่าชีวิตของศาสตร์ทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเปรียบเหมือนความฝันฝันจริงๆเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นฝันของพรุ่งนี้เป็นฝันของเย็นนี้เป็นฝันของพรุ่งนี้เป็นฝันของปีหน้าเป็นฝันของปีต่อๆไปแล้วก็เป็นอดีตชาติของชาติต่อไปเดี๋ยวก็ผ่านไปอีกแล้วนะทุงเรื่องเนาะ ลงเรื่องก็บอกมันไม่นานเลยนะหกสิบกว่านี่มั้นไม่นานเลยแป๊บเดียวเองอะนะะอาจจะจริงอย่างลงเรื่องว่าเมื่อวานเราไปที่วัดมหาธาตุเรื่องก็ไปเล่าให้ฟังมาอ่านหนังสืออยู่แถวนี้นะยังก็ว่าลงเรื่องเล่าว่าเรื่องเพิ่งเกิดเมื่อวานกันเลยเห็นไหมไ ด, ได้เกิดเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนู่นนไนานมากว่าแต่ก็อีกไม่นานนะเนี่ยนะเดี๋ยวก็สิ้นพบสิ้นชาติกันแล้วสาธุก็ให้มันสิ้นพบสิ้นชาติ ปัญหาว่ามีแต่พบมีแต่ชาติเนี่ยหนักใจมากสิ้นพบก็คือสิ้นไหนสิ้นการมมาพบได้เป็นเป็นดีอย่างยิ่งอ่ะนะถ้าปิดการมมาพบได้ก่อนเนี่ยพิเศษนะสิ้นชาติชาติชาติเกิดในครันบางอย่างถ้าไม่เกิดได้มันดีเกิดในไข่ก็ไม่ต้องการเกิดในเท่าคลา ย, ยิ่งไม่ต้องการเลยนะที่เกิดในของแฉะแฉะไม่ไม่เอาเลยนะแม้เมื่อกี้โยมก็เอารูปเออเมื่อเช้านะโยมก็เอารูปพญาธที่มันอยู่ในสมองมาให้ดูเนี่ย น, ะนั่นแหละเ่อกวางก็ไปดูว่าเออคนเป็นเนี่ยนะ เมื่อก่อนก็บอกว่าอะไรนะอ่านในเขมีอยู่ครั้งหนึ่งหมอชีวโกโกมารพัฒเรียนจบวิชาแพทย์ใหม่ๆจากเมืองตากศิลากลับจะมารักษาโรคทีนี้ไอ้ระหว่างทางเนี่ยไปเจอบ้านเศรษฐีเศรษฐีคนนี้เป็นโรคปรวดศีรษะมานานแล้หมอเขาบอกบุคนหนึ่งก็บอกว่าอีกไม่นานก็จะตายนะหมอหมอก็บอกว่าอีกไม่นานก็ตายแล้วก็เนื่องจากว่าหมอนี่เขาตรวจดูว่าเขาเห็นพยาธ เห็นพยาธิอยู่หลายตัวอยู่ในในกระโหลกศีรษะข้างในอ่ะนะในมันสมองอ น, นะก็หมอชีวกก็รับจะผ่าให้แล้วก็ผ่าก็เอาพยาธิออกมาพยาธิออกม า, า, ออ ก, มาก็เอาตัวนอนออกมานะเรียกว่ากิมมิชาตนะ์นี่ก็เหมือนกันในรูปนะั้นก็ยังไม่ตายแล้ ว, ลวก็ผ่าเอานะผ่าสมองมาให้ดูว่ามีพยาธิอยู่ในนั้นจริงๆแนละ้วมีไข่ด้วยนะเออเกิดได้ทุกแห่งจริงๆอ่ะนะเกิดในไข่เกิดในใครันก็ถือว่าดีนี่เกิดในในในสมองเนี่ยนะ เป็นประเภทสัตว์ที่มีไข่และอยู่ในสมองเป็นต้นก็เกิดได้ทุกหนทุกแห่งจริงๆที่ไหนที่เกิดไม่ได้พันไข่ที่ติดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมากๆก็ไปจุติปฏิสนธิอยู่ชอนชัยอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละเนี่ยนะพวกนี้แสดงว่าพวกน้อนกินสมองพวกนี้แสดงว่าอดีตนี่ชอบกินสมองอะไรสักอย่างเอาไว้นี่นนะมันก็เลยมีใจหมกมุ่นกินแต่สมองอยู่นั่นแหละนะเพราะวัาตามันก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะนะมัน ถ้ามีคิดง่ายๆว่าถ้ามีสิ่งใดเป็นอารมณ์พร้อมจะปฏิ ส, สนธิโดยอาศัยสิ่งนั้นเกิด iner. นะทั้นถ้ามีสมองเป็นอารมณ์ก็จุติเกิดที่สมองแต่สมองที่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะถ้ามีผมเป็นอารมณ์ตายแล้วก็ไปเกิดบนเส้นผมแต่ผมใครอีกเรื่องหนึ่งถ้ามีเล็บเป็นอารมณ์อตายแล้วไปเกิดแถวแถวเล็บแต่เล็บของใครอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเล็บชาวเผ่าไหนก็ไม่รู้แหละถ้าเกิดมีผิวหนังเป็นอารามณ์ก็ไปเกิดอาศัยผิวหนังเน وم, ี <Weg y S 1> ่ยนะ ถ้ามีเนื้อเป็นอารมณ์ก็เกิดเป็นเป็นเหมือนกับสาคูอยู่ในเนื้อแล้วเพราะมันเป็นตัวขึ้นมาได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างในโลกนี้มีบ้านเป็นอารมณ์ก็เกิดที่บ้านแต่ไม่รู้บ้านใครอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ไม่รู้ในฐานะอะไรอีกเรื่องหนึ่งสรุปว่ามีสิ่งใดเป็นอารมณ์สิ่งนั้นคืออารมณ์ของพบใหม่เนี่ยนะอารมณ์ของพบใหม่มีอะไรเป็นอารมณ์เราก็ปลุมเพราะเพราะง่ายมากทุกคนเลยนะเวรพระโสดาบันเนี่ยเพาะยากเพราะในนรกท่านก็ไม่งอก เพรในเปรตอสุรกายท่านก็ไม่งอกแต่ปุตุชนเนี่ยเพาะที่ไหนก็งอกเพราะง่ายมากไม่รู้พันธ์อะไรเอาพันปุตตชนง่ายนี่นะเพราะที่ไหนก็เพาะขึ้นเพราะพันที่มีสักกายะทิฐิเนี่ยนะท่านก็บอกว่าสักกายะเนี่ยนะอุ้ยติดกายของตนไปหมดติดติดท่านก็พระพุทธเจ้าพระองค์ยังตรัสเลยนะว่าในสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยที่พระองค์ไม่เคยเกิดในหายาก สัตว์เผาใดที่พระองค์ไม่เคยเกิดก็หายากในสังสารวัตที่มันไม่มีที่สุดเนี่ยนะถอยหลังไปไม่มีที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าที่พระองค์ไม่เคยเกิดเนี่ยเว้นสุดทาวาสี่หายากเพราะอะไรเพราะสุดทาวาสเนี่ยถ้าเกิดแล้วต้องไม่กลับมาอีกแล้วเพราะเป็นพระอนาคามีแต่ถ้ายังไม่เป็นพรมชั้นสุดทาวาสขึ้นไปเนี่ยนะที่ไหนมั่งเพาะไม่ขึ้นขอโทษนะเพาะแถวๆไหนก็ขึ้นหมดแต่ว่างั้นแต่อย่าพูดมากเลยพอและแต่สรุปว่ามันงอกไรทุกแห่งนั่นแหละ สายพันธุ์อันนี้ตัดได้อดีบรรดาสัตว์ที่เข้าถึงสวรรค์เข้าถึงมนุษโลกหรือเข้าถึงอบายทุกติวินิบาสนรกเป็นต้นพระองค์รู้นะว่าโลภะเป็นต้นของบุคคล น, นี้มากอโลภะของบุคคล น, นี้น้อยอโลภะเป็นต้นของบุคคล น, นี้มากโลภะของคนนี้น้อยเป็นต้นธรรมะเหล่าใดมากธรรมะเหล่าใดน้อยอินทรีย์ของบุค อ, อินทรีย์เหล่านี้อันบุคคล น, นี้สังสมแล้วอินทรีย์เหล่านี้อันบุคคลเหล่านี้ไม่สังสมด้วยความประมาทนี้ด้วยศรัทธานี้ในโกธแห่งกับนู่นเนี่ยนะเป็นกับกับเลยนะรู้ว่ากิเลสตัวไหนมีกําลังกิเลสกุศลมีกําลังหรืออกุศลมีกําลังหนานแน่นไปด้วยกุศลละมูลหรือหนานแน่นไปด้วยอกุศลละมูลเจริญศรัทธาเจริญอินทรีห้าหรือไม่ได้เจริญอินทรีห้ามาในกับในแสนกับในพันกับร้อยร้อยแห่งกับ กับโน้นในอันตรกับกึ่งกับในปีโน้นกึ่งปีครึ่งเดือนโน้นปักโน้นวันโน้นชั่วครู่โนนหลายคนไม่อยากระลึกถึงความหลังของตัวเองเลยนะหวังว่าชาตินี้คงเป็นชาติที่อะไรนะเป็นปุเพกะตปุญญตาของชาติหน้าที่ดีๆใช่ไหมแห้ระลึกถึงแล้วก็ดีใจนะว่าโอ้โหชาติที่แล้วเราไม่เสียชาติเกิดเน้ะเนี่ยนะหมายถึงว่าชาตินี้ไม่ได้เสียได้ชาติเกิดนะพอไปถึงชาติหน้าก็ระลึกมหาชาตินี้บอกไม่เสียชาติเกิดแล้วเหมือนกัน อย่าให้เสียชาติเกิดนะและชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรแล้วครั้งหน้าต่อไปนี่จะระลึกเสียดายชาติเกิดอีกไห ม, มก็ต้องคิดให้มันมากๆากนะเพราะนั้นหลายคนไม่กล้าร ะ, ะลึกถึงภูมิหลังของตัวเองเลยนะกลัวมากเลยกลัวที่จะรู้ความหลังครั้งอดีตอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะมันไม่น่าก็เขาบอกว่าเป็นการระลึกเพื่อความเบื่อนายและคลายกหนัดเชื่อไมอวิชาคืออะไร อวิชาคือความไม่รู้ในอดีตนั้นการที่พระพุทธเจ้ารละลึกชาติได้นี่จึงเป็นวิชาเป็นความอย่างรู้ถึงอดีตความรู้อย่างรู้ถึงขันในอดีตแต่ของเราเนี่ยที่ไม่ก็อยากรู้เพราะมันเป็นเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นขันนะฮะระลึกถึงขันที่เคยมีอยู่ในการก่อนระลึกถึงขันธาตุอายตนะที่เคยมีอยู่ในการก่อนว่าขันธาตุอายตนะในภพเหล่านั้นชาติเหล่านั้น เป็นอย่างไรเป็นต้นพระองค์ก็รอบรู้ในขันธะยตนะเหล่านั้นแล้วเป็นที่ตั้งแห่งโวหารเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติเรียกขันธ์ขนานนามกันว่ายอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงระลึกถึงพบนั้ น, น, นได้ได้อย่างไม่มีส่วนเหลือบรรดาญาณเหล่านั้นอ่ะพระองค์ก็เห็นสัตว์ทั้งหลายด้วยที่ประจักษสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์พระองค์ย่อมทราบชัดสัตว์ทั้งหลายผู้จุติคือตายแล้วปฏิสนธิ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เกิดในที่เลวเกิดในที่ประณีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์สามไปดีเรียกว่าไปดีไปไม่ดีที่เกิดไปตามกรร ม, มสัตว์ทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยความชั่วทางกายประกอบด้วยความชั่วทางวาจาคิดชั่วทางใจติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฏฐิสมาทานยึดถือทํากรรมด้วยอํานาจของอมิจฉาทิฏฐิสัตว์เหล่านั้นหลังจาก แตกกายตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาดนรกเอาแล้วถ้าทําชั่วอยู่ในอบายแหะก็ไปจากอบายสู่อบายจากอบายสัวบายนั่นแหละส่วนเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยความดีทางกายความดีทางวาจาความดีทางใจไม่ติเตียนคือสรรเสริญพระเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิกระทํากรรมทุกอย่างด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิสัตว์เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายกายแต่ก็เข้าถึงสุ ข, ขติโลกสวรรค์ นี่มาดูนะว่าบอกว่าสัตว์ที่เลวกับสัตว์ที่ประณีตถ้าโมหะนําเกิดนี่เลวถ้าปัญญานําเกิดประณีตถ้าความโกรธนําเกิดผิวงะผิวเลวมากถ้าเมตตานําเกิดก็ผิวงามมากฉนั้นวันวั น, ว น, วนหนึ่งเมตตามากหรือโกรธมากก็ดูแล้วชาติหน้าควรจะเป็นยังไงควรจะมีผิวยังไงบอกอู้ชาติหน้าไม่ต้องงามก็ได้อย่างเงี้ยนะกลัวจะไปผิดกาเมย์บางคนก็ว่าเกินไป ไอ้ปัญหาว่าผิวมันเกินใครไม่อยากมองนี่ที่มันจะหนักมากนะก็ดูเอาว่าผิวพันุ์ควรพบต่อไปควรจะมีผิวอย่างไรแล้วก็ไปดีหรือไปไม่ดีเนี่ยนะหมายความว่าถ้าโลภะเนี่ยนำเกิดก็ไม่ดีถ้าคือกุศลมูลอกุศลมูลนะว่าชาติที่เกิดมาเนี่ยควรจะมีชีวิตอยู่เช่นใดถ้าโลภะนําเกิดเนี่ยเดือดร้อนแน่ถ้าอโลภะนําเกิดก็สบาย ถ้าโทสะนำเกิดเดือดร้อนถ้าอโทสะนำเกิดก็สบายถ้าโมหะนำเกิดก็เดือดร้อนถ้าอโมหะนำเกิดก็สบายเพราะฉะนั้นคนที่มากไปด้วยโคคะเนี่ยโดยมาอะโลภะนำเกิดจึงทาให้ให้เกิดอะนะเหตุเหตุคืออโลภะนำเกิดถ้าให้มั่งมีถ้าโลภะเป็นปัจจัยไปบีดเบียนเขาก็ตกยากถ้าโทสะนำเกิดก็ผิวไม่ดีถ้าอัโทสะก็ ถที่วดีเนี่ยนะพอมามันนั่งนับแผลเป็นตัวเองแล้วนิ้วอย่างเดียวนี่เป็นร้อยแ ล, แล้วแสดงว่าโอ้ไม่เบาย ใ, ใครอยากจะมีตําหนิให้เต็มตัวไปหมดก็โกรธ บ, อบอร่อยๆโกรธเยอะๆโกรธมากๆขยันโกรธให้มา ก, มากๆเรื่องนิดๆหน่อยๆก็คิดเอามาโกรธหมดใครทําที่ไหนค้ามเลวที่ไหนเก็บมากขุดมาด่าไม่ให้หมดเดี๋ยวชาติต่อๆไปเนี่ยนะจนใครดูไม่ได้เลยแหละใช่เหร อ, อไปทําอย่างนั้นเลยนี่เล่าให้ฟังะไม่ได้สรรเสริญให้ไปเจริญแบบนั้นอะไรรอก ส่วนผู้ที่นะถ้าโมหะนําเกิดอก็ไม่ดีนะถ้าอาโมหะนําเกิดก็ดีทั้นถ้าอบายทั้งหลายเนี่ยนะอบายทั้งหลายเนี่ยโลภะโทสะโมหะนําเกิดถ้าสุขติโลอโลภะอโทสะนําเกิดถ้าสุขติที่ดีกว่านั้นอีกก็อาโมหะนําเกิดด้วยแล้วแต่ว่าอโลภะอะโทสะอา โ, โมหะคุณภาพประณีตขนาดไหนภพที่เกิดใหม่ก็เป็นภพที่ดีขนาดนั้นขนาดนั้น ตามสมควรแก่ว่าโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะซึ่งที่มันเป็นรากเง่าของจิตเจตสิกรากเง้าของจิตตชรูปะนะมันมันพฤติกรรมแสดงมาทางกายวาจาและใจเป็นอย่างไรพบใหม่ต่ อ, ต, อต่อไปควรจะเป็นไปอย่างไรเป็นต้นพระองค์ก็อย่างรู้หมดแหละบรรดาสัตว์เข้าถึงสวรรค์บรรดาสัตว์ที่เข้าถึงมนุษย์ถึงอบายเหล่านี้ กรรมที่มีสภาพอย่างนี้อันบุคคลนี้สั่งสมด้วยความประมาทอย่างนี้หรือด้วยศรัทธาอย่างนี้ในโกดแห่งกับโน้นแสนกับโน้นพันกับโน้นร้อยกับโน้นหรือว่ากับโน้นอันตรกับโน้นกึ่งกับในปีโน้นกึ่งปีโน้นในเดือนโน้นปักโน้นวันโน้นชั่วครู่โน้นพระงรู้เลยนะว่าที่เขามาเกิดเนี่ยสมมติว่าอย่างของเราที่มานั่งกันอยู่เนี่ยพระองค์บอกได้หมดเลยว่ากรรมเนี่ยทําเมื่อไรมันนะทำเมื่อ ปีเมื่ อ, อไรนะเมื่อวันโนนปักโน้น ون, เดือนโนนครึ่งเดือนโ น, น้นครึ่งเอ่อหรือครึ่งปีโน น, นปีโ น, นนในอันตรกับโน น, น, นหรือว่าในกับโ น, น, น, น้นร้อยกับพันกับแสนกับหรือทำมาเมื่อโกดกับที่แล้วพระองค์รู้เลยนะว่ากรรมเหล่านั้นจะให้ผลเป็นอย่างไรเป็นต้นของสัตว์ทุกๆสัตว์ของคนทุกๆคนพระองค์บอกได้หมดเลยแต่ปัญหาว่าทําไมพระองค์ไม่มาเที่ยวเล่าให้ฟังทั้งหมด บอกว่าถ้ามาเล่าทั้งหมดแนละ้วก็บอกแต่แนวทางเอาไว้ก็พอเนี่ยนะแล้วก็จะได้เอาเวลาที่เหลือไปแสดงอริยสัจจะได้ตรัสรู้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะอย่าลืมว่าพรหมจาร์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําให้คนทึ่งไม่ได้เรียกร้องให้คนมานับถือแต่พรหมจาร์ของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อสังวรประหานะ อ่ะนะเป็นไปเพื่อนิโรธะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์มันวัตถุประสงค์ของผู้อื่นของพระองค์ก็คือถ้าพระองค์ดับทุกข์ได้แล้วก็จะช่วยให้ผู้อื่นดับทุกข์ด้วยมันพระองค์ก็ไม่ใช่ว่ามานั่งเล่าแบบร่ํายเปือ่อยทั่วไปไม่ถ้าสิ่งใดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เราสัตว์พระพุทธเจ้าก็จะแสดงสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนั้นพระองค์แสดงอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดเหล่านั้นก็แสดงเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขน่ยนะให้เรารู้ว่า สังสารวัตเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละแต่รวมๆแล้วชีวิตของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในวัตจัก็เป็นชีวิตที่เคยผ่านมาในอดีตที่ย่างเข้ามาถึงปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนาคตก็เรียกว่าอติตาธรรมมาอนาคตาธรรมมาและปัจจุบันนาธรรมมาธรรมที่เป็นอดีตธรรมที่จะเป็นไปในอนาคตและธรรมที่เป็นปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันเหล่านี้ก็มาเชื่อมกันในความเป็นเหตุและ เป็นผลเพราะอดีตไหลสืบเนื่องมาหาปัจจุบันปัจจุบันก็ไหลสืบเนื่องต่อไปในอนาคตแล้วอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมะนะแต่รวมๆผลของกรรมทุกชนิดก็คือผลของกรรมนะที่สุดของกรรมคืออะไรก็คือชราและมรณนะขึ้นชื่อว่ากรรมทั้งหลายให้ผลก็เป็นชรามรณนะเพราะชะามรณะก็มาจากเกิดเกิดก็มาจากกรรมถ้ากรรมนาเกิดก็ผลที่สุดจบด้วยชราและ มรณะแล้วทำไมกรกรมมัน จ, จึงให้ผลล่ะกรรมให้ผลเพราะอะไรเพราะอะไรกรรมทาไมจึงให้ผลก็เพราะตัณหาและตัณหาอุปาทานนะตัณหาอุปาทานเพราะอะไรเพราะไม่กําหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมไม่เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นเมื่อไม่เจริญสติปัฏฐานไม่อบรมอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงองค์มรรคทั้งหลาย เนี่ยนะก็เป็นอวิชาที่ท่วมทับในในขันธสันดานเนี่ยนะก็สันดานขันธุกขันธ์ก็เป็นแต่อารมณ์ของโลภะโทสะโมหะเป็นอารมณ์ของบาปอากุศลทีนมิถะอิจฉาริษยาเป็นต้นเป็นที่ตั้งแห่งความเลวสารพัดอย่างเนี่ยนะเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งความเลวเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลอกุศลเหล่านั้นมันก็ทํางานของมันอย่างเต็มที่เพราะอากุศลพระองค์บอกว่ามันเป็นพิษนะเป็นสิ่งที่มีพิษ เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เศร้ามองเป็นธุลีเป็นความร้อนเป็นเปลวไฟเนี่ยนะเมื่อสิ่งเหล่านี้ทํากิจทำหน้าที่ทํางานของตัวเองมากๆเข้าความชั่วด้วยกายวาจาใจาก็ไหลไปสู่อาบายทุกขติวิญิาณบาสนรกเนี่ยนะมันพระองค์ก็คิดว่าถ้ากําจัดต้นเหตุเหล่านี้ได้สิ่งที่ตรงกันข้ามก็จะเกิดขึ้นเมื่อความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ถ้าตรัสรูธ้ธรรมที่พ้นเกิดพ้นแก่พ้นเจ็ บ, พ, บพ้นตายได้เป็น ความสุขมันอัธยาศัยก็น้อมไปที่จะรู้ธรรมที่ทำให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายน้อมไปเพื่อจะรู้ธรรมที่ทำให้ถึงความดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะที่จะรู้ความพ้นทุกข์รู้ความดับทุกข์ได้ต้องแต่สรู้อะไร พระองค์บรรลุสัพพัญยุตยานเนี่ยนะที่สุดของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ตรัสรู้สัพพัญยุตยานรู้ธรรมะทั้งปวง ท, งทั้งที่เป็นสังคตะอสังคตะสัพพัญยุตยานที่พระองค์ตรัสรู้ปราศจากธุลีปราศจากมนทินสัพพัญยุตยา น, นั้นได้เกิดขึ้นแล้วพระองค์กำจัดกิเลสมานได้ที่โคนต้นโพด้วยยานใด น, นะคือสัพพัญยุตยานมีอะไรเป็นเหตุใกล้ มีอรหัตตมัคคายานเป็นเหตุไกลและอรหัตตมัคคายานนั่นแหละคือยานที่ทําให้อสุวะสิ้นไปทั้งปวงของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นอรหัตตมัคคายานเป็นปัจจัยแก่อรหัตตผลสัพพัญยุตยานเป็นต้นก็เกิดขึ้นทศพลยานเป็นต้นอย่างอื่นทั้งหลายก็เกิดขึ้น น, นะยานที่ทําให้สิ้นอสุวะของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าอาสุวัค ย, ยาน ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าทศพลยานยานที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าที่ทําให้พระองค์เนี่ยฐานะปฏิยานฐานะในความเป็นผู้เป็นโจกเนี่ยนะเป็นหัวหน้าพาสัตว์ให้ออกจากวัฏทุกขได้ยานเหล่านั้นหนึ่งพระองค์รู้อะไรเป็นฐานะมิใช่ฐานะเรียกว่าฐานาฐานายานคือรู้ฐานะอฐานะานะอะไรเป็นฐานะของอะไรฐานะแปลว่าเหตุอะไรเป็นเหตุ ข, ของอะไรอะไรเป็นผลมาจากเหตุเหล่าไหนาเป็นต้น นี่พระองค์ก็ยังรู้ว่ายานที่ทําให้ถึงพบทั้งปวงหรือยานที่ทําให้ถึงความพ้นจากวัตฏะเขาเรียกว่าสัพพัทคามินีปฏิปทาญานแล้วพระองค์ก็ยังมียานอย่างอื่นเขาเรียกว่ายานที่รู้ธาตุเป็นจํานวนมากธาตุที่ต่างกาันเขาเรียกว่าอเนกธาตุญาณ น, น, นานาธาตุญาณนะแล้วพระองค์ก็ยังรู้ถึงอธิมุติจริตนิสัยของสัตว์ทั้งหลายเขาเรียกว่านานาธิมุตติกตายาน ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังรู้ญาณที่เป็นกรรมมสมาทานอย่างรู้กรรมสมาทานทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันว่าผลแห่งกรรมเหล่านั้นเป็นต้นเป็นอย่างไรญนะาณต่อไปของพระองค์เอี ก, ก็คือพระองค์รู้ความเศร้าหมองความผ่องแผ้วการออกจากฌานมิโมกสมาธิและ สมาบัตยานที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายยานที่ทําให้พระองค์ละลึกชาติได้ทั้งพระองค์เองและของสัตว์อื่นอันหาประมาณไม่ได้ขณะเดียวกันพระองค์รู้เหตุให้จุติปฏิสนธิรู้กรรมที่นําจุติปฏิสนธิของสรรพสัตว์ในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้ท้ายที่สุดพระองค์ก็เจริญวิปัสนาตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยัง ประกอบด้วยกําลังแห่งพระยานทั้งสิประการเหล่านี้นี่แหละเพื่อที่จะช่วยเกือ้อกูลสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นไปจากทุกเนี่ยนะพันยานทั้งสิประการเหล่านี้ถือว่าเป็นยานที่เป็นความสามารถเป็นเรี่ยวแรงเป็นพลังนะเป็นกําลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากวัตทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงเมื่อพระพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรมสมบูรณ์โดยประการทั้งปวงอย่างนี้แล้ว พระองค์จะจะอะไรจะหลอกลวงสาวกด้วยคำสอนไปทำไมเนี่ย น, นะพันพระองค์นี่จึงแสดงทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขงั้นเหล่าสัตว์ใดที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ถึงความพ้นทุก์โดยประการทั้งปวงอันนี้ก็เป็นการเอ่ยยกมาในวิจยะอาหารสัมปตะที่ยกมาเอ่ยกข้อความมาจากไหนยกข้อความมาจากอีกหลายแห่งด้วยกัน ที่เป็นการมุ่งอธิบายว่าอธิบายคาถาที่ว่าผู้ที่ประมาทเนี่ยนะผู้ที่ประมาทคือคนที่ปล่อยจิตคนที่ไม่รักษาจิตประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิถูกทีนะมิทะครอบงําเขาเหล่านั้นก็ไม่พึ่งพ้นจากมาร น, นั้นพระองค์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นแหละพึงเป็นผู้รักษาจิตครอบงําทีนะมิทะเป็นไปกับสัมมาสังกัปปะธรรมสัมมาทิฏฐิไว้เบื้องหน้า รู้ความเกิดและความตายถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ก็พ้นจากวัฏตะโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์ผู้มีคุณธรรมอย่างนี้ที่พระองค์ได้มาตรัสบอกอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายนั่นเองช่วงบ่ายนี้ก็คงพักเท่านี้